แกเสียงครูบาอาจารย์เออฟังแล้วต้องขวาต้องทำไงเออพวกเราฟังแล้วไม่ทํานี่ไม่ทําก็ไม่เป็นนะไม่เป็นเลยแหละเออครูบาอาจารย์สอนนี่ครั้งแรกเข้าไปหาหลวงปู่หลวงปู่ฟันเราหนึ่งเด็เออเราไม่รู้อะไรเลยแหละเรามาแต่ใต้เลยมาแต่จังหวัดพังงา เราบวชแล้วได้ยินเสียงครูบาอาจารย์ลงไปทางยูคติหลวงผู่กันเนี่ยลงไปทางใต้ไปพังงาเราบวชตอนนั้นปีปีนึ่งสองนั่งบวชได้สองสาสองปันศาเนี่ยีน่หลวงพ่อเขียมลงไปวัดตามขามา ลงไปลกศิษยลงผูกคว้านเนี่ยท่านพูดให้ขว้างท่านว่าลงผูกวานท่านปฏิบัติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านภาวนานักภาวนาอยู่ป่าอยู่เขามีก็วัด <c oughs> มีก็วัดปฏิบัติการทํา่านั่งสมาธิเรื <c oughs> ่องฝึกอยากโยมทั้งภาถั้งโยมเนี รวมกันนั่งตาก็นั่งอย่างนั้นโยมก็ น, นั่งอย่างนี้แหละฝันไปขามที่มาคํามถ้า น, นัา่งภาวนาืตาพวกเราเนี่เดี่ยวคืนไปไปภาวนาฟัางเทศเพื่อนนะฟังเทศเดี๋ยวไปปฏิบัติเป็นให้เดินโย ง, งกลมฝ้านั่งสมาธิคืนหนึ่งก็นั่งตั้งแต่หัวขามเราเที่ยงคืนนั่งนั่งฟังเฉยๆเนี่ย ความเพื่อนความหล ว, วปู่แหละนางขัตธรรมที่นางขัตธมทธิคือเพื่อนสอนให้ทาให้จิตสงบกวังแล้วก็เรบุริกรรมเราทำควังเพื่อนให้จิตของเราน้อมเข้าไปที่รู้เอน้อมเข้าไปอย่าไปส่งนอกให้ทำมาพันพสัมผัส ให้ทำของท่านเสียงของท่านมาสัมผัสใจเราอย่ารอตรงไปรับเรไม่ต้องการเราต้องการความสงบให้จิต ข, ของท่านกลมจิต ข, ของเราให้เผื่อดวมเพื่อดวงสงบเออไม่ใช่ว่าเราไปรอรับไปมันไม่เข้าให้เยน็นให้กลมมาทุกวันทุกวันทุกวันทีนี้ จิตก็ค่อยกล่อมเขาค่อยเย็นลงเย็นลงเย็นลงเออบางคนก็ทำหก บ, บางคนก็ไม่สงบไม่สนใจเท่าไรมัวแต่ส่งอยากความอยากจำความรู้เพื่อนทีนี้คนไม่ต้องเอาโ น, น่นหรอกให้เพื่อนมาสัมผัสได้รู้ที่จิตกองเราเอ อ, อ, เ อ, อที่กองเราให้เสียงของเพื่อนกล่อมใหออ้บางคนก็รวม กรรมกวงก็รวมแม่หลวงตาเราก็เหม้กันควางให้กลมแบบนั้นเนี่ยท่านสอนกาให้ย้ายตรงจิตออกนอกย้ายจิตส่งไปหาท่านให้เข้ามันแม่ของท่านก็กวางเทศหลวงตาเนี่ยจิตรวมได้ทุกครั้งนั่นเลยเป็นอย่างนั้นเลยนี่เรากว้างสรงไปหาอยากจํำออยากจําเลยเลยไม่ได้อ่ะ จำไม่เฉเฉไม่เข้าไม่กลมกลิบบ้างพอทันเทศจบลงเราก็เพิ่มตื่นเติมเออไปหมดมันมีพลังไงเหมือนทันชาต์ชาตให้เราไม่ใช่เราชาตสร่างควยโฉมควยใจเนี่ยมันมีพลังทีนี้เราไม่รู้ว่าท่านตอพวกนี้ไปควังคังนิดน ไม่มาทาเลยควังเล้วควังอีกูบาอาจารย์เทศเทศดีมแหลวงปู่บ้านตาดหลวงปู่ว้านหลวงปู่ิ่นหลวงปู่อะไรก็เทศดีแต่ไม่เอามาทาถ้ารอมาทำมันก็ได้เห็นความธออกมาท่านเทศแล้วไม่เอามาท่านบอกให้บริกรรมเพื่อตัดอารมไ์ภนอกเพื่อสรส้างสติะอยู่ป่าอยู่เาว กรรมถานเขาเรียกว่าากรรมถานอยู่ป่าอยู่ขเ่าอยู่ไปทําไมไปป่าไปตามไปป่าชาป่าอะไรเพื่อดับมันเพื่อไปนั่งไม่มีใครกวนอยู่ในป่าไม่เคยตามไปเอได้บริกรรมได้บริกรรมนานๆที่ทั้นสอนที่สั้นสอนที่อัคโตหรือธรรมโมหรือสังโฆอันใดก็ได้ เอามามัดอามามัดจิตใจออกไปนอกเนื้อทำอยู่นั่นเพื่อสร้างสติให้เล่นหาถ้าเรามาอยู่คุกครีกันอย่างนี้มันคิดไปนั่นคิดไปนี่คิดก่อนนั่นมาถามก่อนนี่มันไม่ได้สร้างสติไม่ได้ต้องหาที่เงียบๆทำอย่าไปต้องทำจริงๆกะททำจริงๆมัน มันดึงเข้ามาทุกวันทุกวันมาสะสมเขาจตใของเราพกติรเราจะคิดไปไหนมันรู้ทันเขายจะรอบรู้ในกองทังขานความปรงความเต่งมันดับได้ดับได้รู้ทันแเกิดอะไรเกิดขึ้นมาี่ดับได้ทันทีนือเราต้องใชยย่แบบนี้ต้องบริกรรมทําเตอะเป็นเป็นทุกคนไม่ว่ายิ่งว่าจายเป็นทั้งนั้นเก็บมาขาดขาดมาบริกรรมขี่เกียจ ที่เก็บบรกิกรรมขี่เดินบรกิกรรมนัง่งบริกรรมนอนบรกิกรรมมันไม่ทํเสยปอยหาใจทิ้เฉยๆหาใจทิ้งเฉยๆมันไม่ได้ไงมันขับทุนไงวันๆน่งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราวิ่งหาแต่ครูบาอาจารย์วิ่งเหนือลงใต้หา อ, า อ, าอา ย, หายาวฟังเพื่อนทีนี้มันราควงไงพระพุทธเจ้าให้ควงตัวเอง มัมมนควังมันเทศมันทุกวันไงเราไม่ควังมันเออมันไม่เราไม่ควังล้วปล่อยพระพุทธเจ้าจึงว่าให้ดึงกรรมานเห็นไหมพระพุทธเจ้าที่สัตว์รู้การการทํำยังไงกานจับอะไรที่ได้สําเร็จการเที่ยวมาทั้งกี่ปีหกปีออกพนวดการเที่ยวป่าอยู่มะปราผูกของหิมมนะมะปราบอะไรไม่มาเลยอะไรมาด้ว เาเที่ยวป่าเที่ยวเขาไปทำตามตามไรการเที่ยวเพื่อเพื่อจับความสงบเนี่ยเพื่อตอนนั้นถ้าไม่มีกูบาลยาถ้าไม่มีท่านทำไปอย่างนั้นเองเห็นดูสีกีปลายเข้ากัไปศึกษาศึกษาแล้วเรียนจบแล้วจากเขาก็ยังไม่พ้นทุกข์เออท่านก็ไปสวงเอง ใกล้หนะเข้าป่าเขาพพ้าปอไปอีกไม่เอาแล้วไม่ยังไม่พ้นทุกนั่นนะกันก็เดินฝ่าเข้าป่าวันหนึ่งการอยู่ในปา่าากี่ปีล้วก็ออกมากันออกมามาเห็นต้นโพนะั่นเออตอนเย็นๆนะ่ะใกล้ค่ำนะ่ะถันออกมาเห็นต้นโพต้นหนึ่งสวยใบหนา้าต้นใหญ่เลย กันเดินอ้อมอดูกันชอบตอนนัทเอาตรง น, นี้นไม่พ้นทุกาตายตรง น, นี้แหละกันเ็นนแล้วก็ไอ้พวกปรามไอ้ไรพวกปรามพวกเลี้ยงแก่เลี้ยงแพแถว น, นั่นแหละต้องใว่าสมณะนี้คงนอนตรง น, นี้แหละคงไม่ไปไหนละคงที่ตักเลยเอาอยาอยาคาว่ะ มาเป็ดกำมือจอโรเรียนนะี่ยเป็ดกำมือเอามาเพื่อได้ปูนอนมาตะ ว, วันแตนก็รับรับจ้างไว้พวกนั้นก็ขามก็ป่าหัวป่าแพะอาเกะกับเกะก็มาปูที่อณาธนาเป็นเงินก็เรียกนะฮะปูปูปูแล้วครก็ขามก็เรื่อมมือถือหนัง อธิกาน อ, อธิการจะไม่พอนทุกกันตงตายตรงเนี้จะไม่พรนนะจะพอนกันแล้ววะถ้าไม่พอกกน่ะต้องตายต้ อ, อ, อตงตังตงังเงิอธิฐานเรียบร้อยอกันซู้จริงอ่ะกันทําจริงแล้วไม่ปล่อยมันยหลผิดเฉลยเฉลยไปอื่นมัดเอาไว้เลยอ่จาจะก็ตานึกได้สมัยนั้นก็มีลมอเอาลมนี่ มันโอปุ ม, มาเราดีก ว, ว่าเอาพุโตจับกานเอาลมจับลมเข้าออกเข้าออกดูเข้าออ ก, ก็ไม่ตามไปออกไปก็ไม่ตามไปเข้าก็ไม่ตามเลยรู้จักเจ้านี่ยรู้เข้ารู้ออกรู้เข้า้ออ ก, ออกไม่นานมันรวมม่เข้าไปจิตมันรวมวางหมดลมก็าจ่อย เสียงก็ปล่อยมอยหมดแล้วยงางจะูรู้นั่นเด่นชัดเด่นชัดรู้นั่นแล้ไม่ได้คิดนั่นคิดนี่มาจะเอีนไปทางโน้นเอียนทางนี้เอีนทางเ่นี่ไม่ไดีเ ท, ที่ยงนั่นคอยจิตวมมันเห็นไงกวา่าจิตเที่ยงจิตเสียงจิตสงบนั่นเต็มที่นั้นเพืเ่อเกิดขึ้นเกิดญาณู กรรมอดีนาคก็ตัดหมดความชงใจตัดพบตัดจ่ายตัดกรรมจะตัวเองตับได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างตัดได้หมดนั่นเป็นรู้กป็นหนูว่าเป็นพระพุทธเจ้าไปสยามปูอะไเขาว่าไปรู้ก่อนให้ทำให้ถ้าทําอย่างนี้เป็นเป็นทุกคนนั่งมากอย่าทำน้อย เดินยงกบันเดินนะสุดขีดเดินสักสี่ห้าชั่วโมงหรือมากกว่านั้นกลางคือเกือบสว่างพุน่นนั่งก็นั่งนสว่างพุน่นทํแบบนั้นจะเป็นทุกข์มากมันก็ต้องหาทางหลบปวทุกเวทนาทุกมากะมันก็หาความสงบแหละมันมันลงเนี่ยมันหาทางหลบแหละไม่ใช่มันโห่ตั่วไปหรอกไมันจ้าห่ตลอดไปหรอกจิตเนี่ย S <S มันต้องลงพอลงแล้วกันดวัมกู ก, ก็กไปวัมกูก็ไป่ยตัดมาเลยลมปล่อยไปเลยพุโธก็ปล่อยไปแล้วเวทนาก็ปล่อยเสียงก็ปล่อยจอยหมดยากเต๋อเข้ากุ ม, มองเข้าอยู่ข้างในไม่ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ได้ยินรู้อย่างเีนี่เริ่มกำหกแล้วเข้าแล้วเข้าอ ป, ปนาสมาธิแล้วนั่น ถ้าเราเห็นแบบนี้บ่อยๆอถ้าเราเห็นแบบบ่อยๆกระโบ่อยๆอย่างนั้นเนี่เราเชื่อเลยมีศรัทธาความศรัทธาเกิดขึ้นแล้วแหละเชื่อแล้วเราทำหนักขนาดไหนก็เราทูกได้เออหนักเบาแค่ไหนก็ทําะะทได้เนี่ยโคเรียว่าเกิดศรัทธากันแล้วทาได้ไม่ไม่กลัวแล้วมันไม่กลัวตายเห็นแล้วี่อะไรตายไม่ตายเห็นแล้วนะอ่าที่ไม่เห็นนี่างไรไง อะไรตาย เ, าเรายอร้อนพิจารณาหมดแล้วพิจารณากายพิจารณาผมขนเล็บก้านหนังดูลมเข้าออกดูดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุควายเราดูมาแล้วพิจารณาหมดแล้วรอบแล้วไม่มีอไตายมันแยกกันไปดินก็ไปดินน้ก็ไปน้ลมก็ไปลมธาตุไปธาตุผู้รู้นี่มันไม่ตายอยูแล้วมันเด่นอยู่แล้วพุทธาเออมันเด่นอยู่แล้วเรา ไ, ไปกลัว เราไม่กลัวงานเนี่ยก็จึงว่าให้ทาจะได้ที่พึงเดี๋ยวเราจะยังไม่ทันตายแต่ปล่อยให้เราตายมันจะได้อะไรไปเราไม่ทำอ่ะต้องทำที่พระพุทธเจ้าทามกูบาจารย์นะท่านทำไมอย่างนี้ต้องทำให้ภาวนากันนี่แหละกวังเทศกูบาอาจารย์ให้เราได้อุบายเนี่ยที่ปดเนี่ยถูกแล้วแม่เนี่ยเนี่ยเราเข้ามาพักอย่างนี้ เนี่ยรามาควงคู่อุบายองนั่นอุบายองนี่หลวงปู่ชิมบ้างหลวงปู่ควานบ้างสมเด็จบ้างสมเด็จญาติสงวนหลวงตาเนี่ยประจําไอทพตาเลียเจ้าตาเลียเจ้าเราควังเตอร์ไดเตือนสติเราตลอดเราจะไม่ทำชั่วนี้ยคนถ้าทำอย่างนี้อยู่อย่างเนี้ยนะ ประเทศนี้จะเดิน ม, มากในพุทธนาไม่รู้ว่าอยู่กี่พันปีกี่หมื่นปีเราคนไม่ทำมันเชื่อมไปอย่างนี้ตาก็เชื่อยโยมก็เชื่อมไปไม่รหวทุกวันนี้มากขึ้นจิตใจเชื่อยตาจิตใจเชื่อมไม่ทำํำในสมัยเรามาเนี่ยครูบาอาจารย์เนข้มข้นมากหลวงตาหลวงปู่ปัน้นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่อะไรในโรกเคยพบปะ เข้มแ็มากเลยท่า น, นลูกติดลูกหาให้ทำด้วยความเพียรไม่ย่ทอท้อไม่ทำด้วยความเพียรหนักสว่ า, วางนะคิ ด, ดูเออไม่กูจะเรียนน่ัง่งแกูจะเรียนเล่าให้ฟงตอนทีทำาไปอยู่ด้วยกันคั้งก่อนอยู่ที่เชียงใหม่ไปเที่ยวอนนาวีเวกปีหนึ่งแปท่านก็พาทำจนสว่ า, วาง นางตั้งใจวัวก้ามพอกำหนดจิตแล้วอยู่ไม่นานมันก็เข้ามาเข้ามาเลยดึงเข้ามาดึงเข้ามาจนเข้าแล้วนี่วางหมดเลยสว่างคุณเน่สดนั่นอจิตมันรวมไม่ทุกนางเข้าอะไรก็ไม่ทุกไม่มีเวทานาดับหมดเลยเวทานาวางหมดเลยเหมนกันั่งเ ย, ยอย่างนั้น นั่นเลยมันมันไม่มเจ็บไม่ปวดนากอดีวกพุ ก, กอันนี้เวลาตายมันเราไม่ต้องไปเราไม่ต้อวงเวทนาไม่ต้องเจ็บนอนเจ็บนี่ที่ไปท่าไหนก็ได้ยืนก็นิพพานได้นั่งก็นิานได้ไม่มีเวทนาให้พานทำเสีพวกเราอย่าน้อยๆได้อาทริวันไปชงวิมาน ในสวรรค์นะครัสักสีห้ามื่นปีค่อยลงมาพบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนีย่ยพอเราให้ทานรักษาจิตภาวนานนเนี่ยทำเอาทำเอาอยาบปล่อยจิตปล่อยใจไปทางอื่นทำเอาคอนควายทำเนี่ย จ, จะเจรืญพุทธศาสนาเรานี่ยจะเจริญ น, นานแต่พวกเราไม่ทำแล้วหมดหมดเลยเสื่อมหมดเลยไม่มีใครทำถ้าเอาที่ไม่ทำเนี่ยทุกวนันขี้เกียจ ไปเรียนเรียนแล้วก็ไม่ทำเรียนจบมหานมาเข้าไปโยกแต่ไปโยไม่ทมันก็ไม่ได้รู้แต่ความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่จะเป็นของเราต้องเอาเป็นของเราให้กวงแล้วมาทำเอาให้เป็นสมบัติของเราเข้าใจไหมทเอานะนี่มาวันนี้มาเห็นว่าญาติโยมเขาที่นี่เขาดี เพราะว่าเขาอยากควงผู <they S 1> ้บาอาจารย์มาหลายออกมาทํามานอยู่ที่นี่ได้ควงผู้บาอาจารย์ได้อุบาตอะไรบ้างได้่ยไปทำกันไปทำรู้จักให้ทานรู้จักรักษาชีวิตรู้จักภาวนานั่นแหละจะเรือพุทธนานี่จะเรือนไอ้นี่ก็อยู่ทางโน่นก็ขอไปถามปัญหาถามปัญหาเรื่องนั้นเรื่นี้ก่ที่พอบอกเขาได้ก็บอกไว้ เอก็ได้เออได้เขาตกไปก็ได้ไปทําต่อที่ได้ขุดกับครูบาอาจารย์มาได้บุบายเพื่อนไปอาชัยบ้างอาชัยก็อยากบวชก็ไปเป็นป่าวัดป่าเป็นเจ็ดแปดร้อยไร่กว้างกำแพงล้อมรอบเออพาไปหาภาวนาได้บ้างเวลาว่าง เวลาหยุดฐานหยุดไรก็ไปภาวนาบ้างเพื่เราหน้าที่หายากแล้วทุกวันต้องอาศัยวัดวัดกวัางทำไว้เพื่อคนต้องการทําทพระเน่งแม่โจงแม่จีเขาอกบวชไปไปพักได้ชาวบ้านก็พักได้ไปภาวนา เพราว่าเป็นสถานที่เหมาะเป็นป่าอืมธรรมชาติป่าก็ปลูกบ้างไม่ปลูกบ้างขึ้นธรรมชาติก็มันมตรงไหนที่ออว่างๆก็ปลูกต่อปลูกเป็นเป็นป่าทันเย็นถ้าเป็นป่าแต่ว่าอยู่ในป่านี่มันดีมันกันกได้หลายอย่างอืเป็นกลางคืนี่มืด มืดแล้วก็มันน่ากลัววังเวงแล้วก็นั่งก็ได้จิตไม่ค่อยออกข้างนอกมันดึงก็มาดึงก็มาบริกรรมให้ให้ป่ากันโดยจงกรมกว้างๆตรงไหนก็เลือกได้สถานที่น้อยๆมันเดินก็เห็นกันเห็นามันหลบกันได้หาที่หลบที่กันได้ภาวนาอ่า ไมพูดอะไรมากนะ อ, อ, อาจารย์ไม่ได้เรียนอะไรนะปอที่แล้วก็ภาวนาอยู่นั่นแหละภาวนากับครูาอาจารย์ยทำป่าทำเาไงมีอะไรอนะ่ะาทไมทับาตอบาได้ครับงนแตีนชาโอก็มีหลายหลท่านนะครับมา คุยสนทนากับหลวงปู่ขั้นบางทีในการทำ ง, งานของจ้าหลวงพจน์เนี่ยพอตอนเช้าการปฏิบัติซึ่งเราก็เน้นเรื่องการปฏิบัตินะครับแล้วก็อต อ, อนเช้าเนี่ยจะมีคนสนทนาทําเยอะนะครับแต่ว่าพอขึ้นทํามะได้เหมือนบางคนก็จะติดกินไม่ค่อยถามแต่ว่าอยู่ต่อนหน้าในี่ยท่านๆจะถามมันเยอะครับวันนี้ก็ถามสนทนากาันแบบสนทนาธรรมกับผู้ปฏิบัติ ดีกว่าครับก็ตามตามอธิยาศัยตามสะดวกเลยนะครับเพราะว่าเรายังมีเวลานะครับแล้วก็พอช่วงใกล้ใกล้บ่ายเราก็สามารถที่จะร่วมบนอันนี้ถือว่าเป็นพระป่าได้กันนะครับตามกาลังศรทัทธาที่จะร่วมบนกับหลวงปู่ในการสร้างศาลาหอฉันทึ่กำลังสร้างอยู่ที่วัดป่าบ้านใหม่นะครับก็ก็เป็นโอกาสดีนะครับเพราะหลวงปูง่ท่านเขาไม่ได้มาบ่อยจะมากรุงเทพมีกิ เป็นครั้งครั้งไปอ่ะครับมีใครถามไหมครับต้องใชเรื่องปัญหาธางม า, าการปฏิบัติถามได้เอาเป็นถามตอบอีกก่อนอากาศขอกาศครับเวลาฟังเทศน์นี่ก็ไม่ต้องบริกรรมพุโทโธใช่ไหมครับแล้วก็เวลาที่สวดมนต์ก็ใช้คําสวดมนต์เป็นเป็ น, ปน ค, คําบริกรรมแทนใช่ไหมคือคือเราฟังครูบายอาจารย์นั้ไม่กรบแล้วอะ่ะเราต้องวางก่อนไงให้จิตของทานมามาอยู่เนี่เดียวอยากโง่งอ๊อก เออคือไอ้กลมจิตเราแหวนเราต้องการังแล้วนนั้นมันกับเราบริกรรมอยู่แล้วคำของท่านเพื่ออุบายนั่นเรากวงให้จับันะควัวงไปงไปมันก็แบ่งกับเราบริกรรมเลยจิตตรงนั้นมันม า, มารวมได้บางคนกวงก ว, ว้งไปกวงไปเพินจิตรวมเลยไม่โมนอก ให้ผาดวางบริกรรมก่อนให้รบวังให้ทําของท่านไปกลมเองอืมอะไ้ทํำทาว่าสวดบทก็ตองใช้บทสวดมนต์แทนเรา <c oughs> สวดมนต์เพื่อความสงบเราเสียงของเราก็ฟังน้อมจิตน้อมใจเข้าไปแล้วท่องไปเพื่อความสงบดึงก็ามาย้ายส่งไปนอกวันๆเราจิตเราปล่อยมาก ก็ชกนอก ม, มากเอาคําสวดมนต์เป็นอารมณ์ของจิตปรมาณคือคือมอรขวดไปอย่างนะ้นเนี่ยให้เป็นสมาธิเออลองขวดไปขวดไปไม่ส่งจิตไปอื่นนี่ขวดไปควังไปเนี่ยเราเรื่อมันค่อยกลมไปกลมไปเองมันเพื่อความสงบนะก็การสวดมนต์เองต้องการความสงบ พอจิตรวมแล้วเราก็วางไม่สวดแล้วเราก็อยู่เฉยแหละดูมันสงบอย่าไปยุ่งมันให้มันถอนเองมันเราก็จำไว้อย่าชงแล้วก็เวลานี้เราสวดอย่างนี้มันจิตรวมจิตสงบแต่เราก็เอาไปอย่างเงี้ยอะไรดิโอ้โหใช่ไหมสงสัยเลยนี่รับปนัเก่งนะเนี่ยไม่สงสัยเมีใคร อยากจะสอบถามนะครับออมาหนี้มามาฝ<ร>าขอตักคือเห็นคือเข้าใจยังไม่ค่อยแจ่มชัดเรื่องส่งนอกกับการเข้าในเจ้าค่ะว่า <c oughs> เพราะว่ามันเหมือนอารมณ์มันเป็นสองนะคะอย่างถ้าเราสดเราเห็นเห็นหลวงพ่อเห็นลหนลวงปู่เนี้ยหรือว่าเราฟังหลวงปู่เนี้ยจิตเราก็ก็ฟังอยู่แต่พอเมื่อกี้หลวงปู่บอกว่าให้เราเข้ามาดูข้างในก็เลยรู้สึกว่า เออเราจะจับลักษณะของการฟังหรือการรับรู้ของเรายัางไงว่าตอนเนี้เรากําลังเข้าในหรือว่าเราอะส่งจิตอไปรับจากข้างนอกอะ่ะคะโงคือจิตเนี่ยที่ว่าเข้าในอนะปลุกฟังให้จิตอยู่กับที่ตรงนี้ให้ทําของครูบาอาจารย์มาสัมผัสเองให้สัมผัสเองปลุกฟังตั้งไว้เฉยให้จิตของธรรมะ อะไทั้งเทศอะไรก็เรือยแต่เราควังตั้งควังอยู่นี้ย้ายส่งออกไปข้างนอกให้ติดอยู่กับผู้รู้ให้อยู่กับความรู้ที่รู้อยู่ตรงนี้ด้านขนอกมันจะมากระทบความรู้ตรงนั้นเราก็ไม่ไปกับเขาแต่ให้จิตของกูบาจันส่งเขามันเสียงอะไรมันก็จะเข้ามากระทบถ้ามันกริกเราไม่มจะเ้ามากระทบเราก็จะกล่อมไปวังไ ป, ม, ไปมันกล่อมเองกล่อมไปกล่อมไปควังรวมเลยพอรวมแล้วนี่เราไม่รับแล้ว ไม่รวมรวมแล้วเนี่ไม่รับแล้ววางหมดวางความหมายถูกนั่นเราต้องการนะต้องการชงกอ่ะเออถ้าเราต้องการรู้เราก็ส่งจิตเข้าไปฟังรับแก้ได้ไมีไปเรื่อยไครรู้ไปเรื่อยคือจิตส่งจิตนอกแล้วก็ไปฟังเสียงเป็นไม่ใช่ไปจําความหมายว่าพูดอะไรไปเอาความหมายกับตรงนั้นคือจิตออกจิตตรงนอกไปหาผูบาญาการแต่ถ้าจิตตรงในคือเราอยู่กับความรู้เหมือนอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธใหม่ ถ้าทำมามันเข้ากับจิตเรามันก็จะผ่านเข้ามาเราก็จะรับรู้รับรู้ถ้าเราถูกจริตเราก็จะซึ้งแล้วก็สงบไปอย่างนั้นหมายความว่าเวลาถ้าเราอยู่ในในียาบทอย่างเนี้ยค่ะเราเราก็อยู่ในฐานของตัวเองในในกายรู้ในกายอะไรก็ได้ที่เรารู้อย่างส่วนภาษาข้างนอกที่เข้ามารับประคบเราเนี่ยอะไรที่มันเข้ามามันก็เข้ามาเองแต่ว่าเราเราไม่ต้องเป็นนั่งกําหนดที่มันภาษาผ่านเข้ามาใช่ไหมเจ้าค่ะ อย่างวันที่คนอย่างมองหลวงปู่แบบประตูก็เปิดไว้อย่างเงี้ยมันเหมือนอารมณ์มันเป็นสองเป็นสามเจ้าค่ะก็จะไม่ไม่ได้กําหนดที่ที่จะฟังไม่แน่ใจว่าอันนี้คือส่งออกนอกหรือว่าเราต้องเข้าอยู่ในฐานแล้วพอเวลามันมีข่าวสารอะไเข้ามาเราถึงรับก็อยู่กับฐานของเราอยู่กับผู้รู้ส่วนอะไรไม่ได้เข้ามาก็มันก็ผ่านเข้ามาถ้าเราพอแจมันแบเราก็รับรู้มันเป็นภาษาลู่เฉยนะเราไม่ต้องไปให้ควาหมายมันมากคนรู้อยู่ในฐานของตัวเองนะ ถ้าเราออกไปมากมันก็มากไปแล้วก็รู้ในฐานของเราก็านในแค่เนี้นยจิตส่งในบางทีมันก็ไม่มีความหมายหรอกมัก็รู้เฉยพอรู้แล้วถ้ามันถูกกระดิตเราเราอยู่ในขั้นที่เรากำลังจิดเรื่องนั้นเหมือนเราภาวนาครูบาอาจารย์เทศเป็นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรากําลังจิตอยู่ในเรื่องนั้นมันถูกจระิตกับเราเราก็พยยิจารณาได้เหตุได้ผลแล้วก็รวมสนุกเลยก็คือทํามมันส่งมาหาเราแต่ถ้าเราออกไปฟังก็คือเหมือน คนพูดแล้วก็แบบควมหมายว่าเป็นนั้นเป็นนี้ขันนั้นขันนี้ธรรมะกรนั้นกรณีมันก็ส่งไปนอกแต่ส่งในคือเราอยู่ในฐานของเราถ้าธรรมะมันเกี่ยวข้องกับเราเรากําลังติดกําลังขัดอยู่เราพอพิจารณาเห็นปึ๊บมันได้เหตุได้ผลมันก็รวมสะ ม, ะมุปีกเรื่องที่สงใน อ, อะไไห ม, มน่ามากเลยจ้ะยิ่งใหญ่ หลวงปู่คาคอกับเรียนถามท่านมิดนะคะขณะที่เราอยู่ในสภาวะข้างในเนี่ยเราเคยฟังมาว่าการที่เราเห็นอะไรก็ตามเนี่ยเป็นเพราะจิตเราอยากเห็นแต่ขณะที่เมื่อเช้าหลวงปู่กระเทเนี่ยเราก็จิตเราอยู่ข้างในแล้วจริงๆก็เป็นเหมือนพระพุทธรูปนะคะอพอปรากฏขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเราก็เฮ้ยฉันไม่ได้อยากเห็นนะ อ่ะเราก็ดึงจิตกลับมาอยู่ความสงบพอเราดึงจิตกลับมาอยู่ความสงบเอ้ก็ขึ้นมาอีกรูปหนึ่งเป็นลูปอื่นจะเป็นพระพุทธรูปอีกเอ๊ะฉันก็ไม่ได้อยากเห็นอันนี้คือสภาพของความคิดหรือว่าเรารู้ว่าอ่ะคิดนั่นคือขาสติแล้วหลวงปู่ช่วยอธิบายให้อืมเราเห็นว่าพระพุทธรูปแล้วจะไงเราปรากฏขึ้นก็ไม่กองไม่เที่ยงก็ดับ เออกระดับเราไม่ได้ทรงไปตลอดเ อ, อไม่ได้ติดอยู่นั้นตลอดมันไม่เที่ยงไอ้ทีมทั้งหลายถ้าเราเห็นเสียงแสวงอะไรอะไรก็เหมือนกันแล้วก็เห็นเห็นนู่นเห็นนี่ก็เห็นแต่ว่าเราไม่ไม่ติดมันเพราะมันไม่เที่ยง ที่เราเห็นจะบอกพิจารณากายให้เบื่อหน่ายเนี่ยอันนี้ของจริงแหละพิจารณาอย่างไงให้เบื่อหน่ายแยกผมแยกคนเลิกความหนังให้พิจารณาเบื่อหน่ายไอ้นี่ยมันถอนถอนความโลภกูดหลงคราคาตัณหาได้ถอนได้ตัวนี้อตัวนั้นเห็นเห็นนีอะไรก็แต่มันไม่ถอนเห็นเจ๋อเจ๋อเออมันติดเข้ามานี่บางคนก็เห็นลูกแก้วใช่ไหม นั่งว่าเห็นลูกแก้วมันพาไปนั่งอยู่กลางป่าตามเขานี่มเห็นลูกแก้วลอยมามาอยู่หน้านี่ยกขึ้นไปเก็บมันก็ลอยออกไปก็ตามไปพอตามไปอ้าลูกแก้วขึ้นอยู่ปลายไม้แกก็ขึ้นไปมัมีตลาดเพอขึ้นไปลูกแก้วก็ลอยไปแก่ก็ลงไม่ได้อะทีขึ้นได้ไปนั่งอยู่บนปลายไม้ แกรู้ตัวแล้วตอนนั้นแกรู้ตัวแล้วอ่าพี่โยมบอกมันโยมเองว่าเรายังไม่ได้เก็บตัอเรายังไม่สป็นหุกตัวที่เราตั้งเองท่นเราถี่เนี่ยมันเป็นอุปทานต่างหากเออหน้าแนะอุปทานใช่แต่แล้วโยมจะทํายังไงฮะนะก็เพ่งด้วยใส่กรู้แล้วก็วางมันแน่ เพระตอะหมอให้มันอยู่ในสภาพว่าอย่างนี้จนกระทั่งมันกลายสภาพของมันไปเองแล้วด้ยวยตัวเองใช่ไหมคะยังคงอยู่อย่างนี้ต่อไปเราเห็นแล้วว่าเป็นพระพุทธรูปเราก็วางได้ ค่ะเราเห็นแล้วอะโยมวางได้โยมวางเออนั่นเองแล้วมันก็ไปอีกแล้วยโยมวางเราก็จังอยู่อย่างนี้จนกระทั่งมันเลิกที่จะอะไรขึ้นมาไม่ยืนในฐานที่ตรงไปหารมพอจีดรวมเนี่ยนี่ก็เรารวมแล้วน่ะมันวางหมดนะมันมัดเลยทั้งโลกเลยวางมัดมันวางหมดเลยเนี่ยน่ยที่พัก ท, ที่พึ่งของเราที่พักของเราถ้าเราไปเที่ยวหาเนี่ยมันไม่ดีไม่เป็นสุดไม่เป็นสุลงไปเรื่อยๆมันเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยว เ, เกิดเดียเเเด๋ยวหยวุดรูปแล้วก็เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเราแก้มันเราแก้มันเยวเห็นตะพิ่งเนี่ยใครก็เห็นอใครก็เห็นเดี๋ยวก็เราหลบได้มีที่หลบเราต้องฝึกธรรมที่ธรรมาที่หลบไว้ เออข่าวหลบเส<ม>ียลบอารมณ์ทุกอย่างเหมือ น, นคลื่นทั้งในทะเลอ่ะมันเยอะแต่เราเราวางจิตวางอะไรได้ดับขึ่นนั้นได้หมดหากิจมันรวมมาสงบหาอุบายว่าสงบ แ, แล้วจะไม่สงสัย็ต้องหาอุบายแต่เราไม่เคยสงบเราก็เลยกินอารมณ์อะไรเข้ามาแล้วก็วสงสัยก็ไม่หาอุบายไม่ได้ดับไม่ได้วางไม่ได้ เอดีดีถามได้ถามได้ไม่ใช่เลยถามเลนะถามได้ อ, อุบายในการการภาวนานี่ยเราต้องแก้มาทุกโลกอออะไรเกิดขึ้นต้องแก้อีอะไรเกิดขึ้นต้องแก้เพราะว่าไม่แก้ไม่ได้มันก็เราต้องเอาเทียนหนามออกจากจิตจากใจของเราออกให้เบาให้วางไม่จริงจิตว่าจิตเข้ามาเย็นจิตก็้ามารวม เออไม่ไม่ทนไม่ได้ไม่กไม่แก้ไม่ได้มันความรักมวยนีรักกับชัง้นี่รักมากก็เป็นทุกข์ชังมากก็เป็นทุกข์ถ้าเราตัดทั้งสอย่างนี้มันก็วางไงมันบ๊บตบีกายบใจถ้าไปเบะไว้อะมันเดินมันว่าใจเราทั้งว่าทั้งมัอนกรดนะ ไม่โกรธนะนใครแต่คนนะึงเขาไม่รู้เรื่องแนละแต่รบนี้มันจะตายแนละ้วไปแบกเข้ามาเราแ uh huh. บกเราหามกันอยู่นั้นนั่นเนี่ยเขาจึงว่าภาวนาหลบมันนะถ้าเรามีมีเครื่องหลบมันก็หลบได้ถ้าเราไม่มีเครื่องหลบมไม่แต้แบกมันตลอดเวลาไอะไรเข้ามาเก็บไว้เก็บไว้เวนะนั่นมันเปทุกข์พระเจ้าจึงให้ปล่อย ให้วงเออยังไงตอบไหาพูดยาอะไรตรงส่นาวมีประเด็นพูดถ้าพูถามไม่พูดกนได้เราว่าราการเรียนเราไม่ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับนั่นบจิตอะไรที่เขาต่อเทียมได้เไม่ได้เรียนทาไมเรียนถัง ลงอยู่กับกูบาลจารย์อยู่ในป่าในของโรงเรียนตังเราเรียนกายเรียนใจเร ไ, ได้เรียนในวินเราภาวนาอยู่อย่างนี้เดินจงก ร, รมนั่งสมาธิภาวนาอยู่อย่างนี้ไม่จะเป็นเรียนในวินเป็นใครสงสัยไหมใช่ใครสงสัยไหมครับตอนตอนที่หลวงปู่อยู่กับหลวงปู่พันนะครับก็คือเน้นไปทางเรื่องของการปฏิบัติใือหลวงปู่ปฏิบัติอยู่ที่ถ้ําขามแล้วก็จะ เน้นในเรื่องของกางปปรปฏิบัติเป็นหลักใช่ไหมครับถ เ, ออเรื่องปฏิบัตินี้ฉันข้า ว, าาาา ว, เวีเก บ, บาตรฉันข้าเสร็จแล้วก็เก็บบาตเก็บไรไว้ก็ปัดกวาดเจ็ดตูช้ลงช้าลาแล้วก็เก็บบาตรไปไว้แล้วก็ลงมาเดินจงกรมพร่อลมชอบเดินชอบเดินถ้าบังคนชอบนั่งพอเก็บบาตเก็บไรแล้วห้าหน้ามาไรไว้ข้าง อืมน้ำไว้ข้างๆแล้วก็นัง่งภาวนาใจโ ย, ยน้ำก็กินนี่น้ำก็กินไปไม่ต้องเสียวิ่งหาให้เราเก็บบาปเก็บเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินโจงกรมเดินสี่ห้าชัว่วโมงพอเหนื่อยแล้วก็มานัง่งนั่งที่เขาทำที่ไว้นัง่งที่ทางโงกมนั่งกับบอการ์ บริกรรมที่คือเดินน่นแหลเดี๋ยวพุทโธก็เดินุทโตเลยเออเดินุทโธทอยู่นั้นบางวันก็มันหลบรวมแต่บางวันก็นั่งไปมันก็รวมจิตสงบอะไมันรวมมันรวมแล้วก็มันก็มาถอนแล้วก็เอากาจะไปนอนนิดน่อยก็ได้ตกมาก็ทําอยู่นั่นหมทำเหมือนว่านั่ ทำแบบเดียวกันเดินจงกรมถ้าม่มานมีการก็เดินจงกมเดินจงกรมไปเหนื่ยแล้วก็นั่งสมาธิตัวมันเบาแหวเดินมาก็ตัวเบานั่งได้นานนั่งได้คืนคื้และแต่วันไหนเราอยากเดินกลางวันเสียกลางคืนไม่ต้องลงมาเดินเดินแต่หัวข้ามจากนู่นเดินเดินจนเหน่ยนะเดินเสียก่อนแที อาบน้ำแก็เดินแมากแล้วก็นั่งคือนั่งวดมนจิตแล้วเรียบร้อยแล้วแผลเมตาเรียบร้อยแล้วก็นั่งดูจิตดูใจอดีกมยังอย่างเบอรกรไปเออมั่งคนั่เป็นรู้จิตดูใจรู้จิตไหมที่มัอยู่ด้วยรูู้กับเขาีไม่รู้ได้หนอย่ะประเด็นนี้สิหลวงปู่ก้อน่ยท่านกำหนดเนรู้ได้เลยหลวงตาเนี่ยทุกก้าเดินเลยหลวงตามวนี้ย ทุกข้าเดินเลยอ่ะเราอยู่เรารู้ไว้จะไม่รู้หรือวะไงเราที่เชื่อท่านได้ไงหลวงปู่ปัน้นบรรทัดหลวงปู่ยังไงตอนหลวงปูตออ่ตาวนาตอนนั้นเราปล่อยจิตมันเข้ามาปล่อยวางหมดแล้วอ่ะทีนี้ยังไม่ถอนในตัวอะไรกันเนี่ยตอนยุคนั้นเนี่ยตอนหลวงปู่อยู่ตอนยี่สิบแปด้อ่ะหน1่งแ ทนี้ราทำตอนนั้นเราทำเ า, เ, า, ทำ เ, าเป็นเาตายเลยเขาเ้าแรกเลยทีนี้จิตเราอยู่ไปกลางวันกลางคืนเดินเหนไปไหนกับมันอยู่อย่างนั้นเบื่อโลกพูดยว่าเบื่อมันมันเข้ามารวมเราพิจารณากายนี่แหละยกกายคืพิจารณาแยกอยู่นั่นแหะนั่งก็แยกเดินก็ยแยกเวลาเดินไปเดินมามากๆ ม, มันเหมือนแยก เนอาทุปาหมดเลยแล้วก็จิตลงเลยจิตห่วมเบื่อนาย เ, เลยเบโลกเบื่อท้องทรายอะไรทุกอยางมนเข้าไปอยู่ในนั้นเลยเดินนะัเดิไปเดินมายังอยู่อย่างนั้นแหละอยู่อยู่นานอ่นนะทีหลังไม่บริกรรมไม่ทาอีกไม่ทุจริตอะไรมันก็ถอนไปอีกมันเข้าไปแมันเสี่ปัวเอาเพรวเอา ทำไมจับได้แล้วทำไมปล่อยเชียเพื่นวานั่งยึดได้แล้วนะทำไมปล่อยเชียอีกอ่ะเพื่อนวานเนี่ยทํานรู้อ่ะไม่ต้องบอกกันท่านรู้อ่ะท่านบอกเลยอืมที่ไม่รู้ไรขนาดนั้นเราไม่เคยเล่าใครนะเราไม่เคยเล่าใครทำไท่านรู้อ่ะนะถามว่าปล่อยเชียไมอ่ะมจะอยู่แล้วมันจะยึดได้แล้วนะ นนน่นท่านบอกทันทีนี่นดูอบุบาจามันดีอย่างนั้นใจเตือนรอเมื่อนั่นนให้ต่างกันทำเตอะศาสาานานี้จเจริญมาแไหนแต่ไรอย่าไปหลงไหลกับอะไรอย่าไปไหว้ผีไหว้สางไหวเจ้าภูิเจ้าที่ม่นขาดเกรานาคม ถือพอระพุทธเจ้าลงปู่กวนทานป่าหรือป่าสารหรือสา ร, สา ร, รหรืออะไล้ท่านถือพระพุทธพัทธรรมพทสงฆ์เป็นฐานะที่พึงที่ระลึกอย่าไปเอาเอื่นอ ย, ย่าไปไหวอื่นป่ามปะยังอ ย, ย่าไปไหวเอาพอระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึงที่สุดนั่นแหละพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นให้ดูแบบนี้แหละให้ให้ นับถือพระคุปตธรรปะทองตั้งร้านตั้งแต่ตั้งดินมาตั้งแต่ตั้งดินม า, นนมาทำไมไปเอาจิมหกทีหามาใช้จิตใช้ใจอ่ะอย่าไปเอาอย่าไปเอาอย่าไปกราบไปไหว้พวกนั้นเอก <c oughs> อกราบกูบาจา <c oughs> นนะโอ้ยนาคนเป็นสัตว์ไปกราบยังไน่ากันเป็นสัตว์มีราชกาไปกราบข้าดแกชนคมีอย่าไปกราบอย่าไปกราบ เ ท, ว, เทวดาพระพุทธประธรนปฐเนี่ยเป็นประเชษตแล้วใจเรากบบเป็นเ ท, ว, เทวดาอยู่ททรมหมดแล้วอะเนี่ยแล้วเป็นนั้นแล้วอะเราถือพระพุทธประธรนเป็นฐานะที่พื้ึกเต็มแล้วอะเาเนี่ยทาให้ถึงปรารหันก็ได้เทวดาที่ทหนาคาหนากาประหรัน ครบแล้วอยู่ในตัวเราในจิตในใจเราแล้วเราเอาของที่ไม่ดีออกไปหมดอความรักความจังทิฏฏิมานะถืตัวถือตนละความโลภความโกรวความโลภะท่านหาตล่อยหมดปล่อยที่ปล่อยหมดจ้แล้วว่างนั่นตัวเออนั่นแหละคนที่ได้ที่พึ่งตลอดไป นั่นแหละอริยเกขึ้นสาหริยงเกตขึ้นอ้นี่อะไรเราไม่ทำสงสัยกันอยู่อย่างนี้จนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอย่ดีเศร้ากอยู่อย่างเียไม่จบพยายามควงกุบายใมันากไปบางวันกับบางทีก็ัได้ควงได้ก็ดูอนได้ควงไปทไปอย่าอย่าทิ้งอย่าถอยหลัง ทำไปให้ภาวนาเนี่ยสำคัญค้าเป็นข้าไหวนาคเน่ยแต่โยมเพื่อจะไปวัดไหนเนี่ยสวยๆเ่ยวัดระเดับที่เชียงใหม่หรอยงนาคเป็นไปหมดทุกวัดจะมีนาคเรบอกว่านาคหละในพุทธศาสนามีไม่ใชแต่ก็เอานาคไปตัวโชวแล้วย่างเนี้ยเราทำไงฮะไม่ไปวัด่านนี้หรือแน่ไปดิ ไปพรพุทธเจ้าเรามีเรากราบหน้าเต็มวัดเต็มวาเราไม่ได้กราบครับแต่จีนหน้ากใจที่สร้างไปก็ไปสร้างหน้ามันทำที่ประทังเฉยือที่ให้ถืนั้นเรื่องของตนแหละแต่ยอดหน้าอยู่หน้าโบสชหครับหน้าอยู่หน้าบสก็เหมือนเราจะกินข้าวเราก็ไม่ไปกินเปลือกมันเราก็ไปเอานื้อแในข้าวแต่ถ้ากินเปลือกก็ติดคอเรา เป่นเงินไปวัดเนี่อะไรมิศาละสําคัญของวัดเราก็เข้าไปตรงนั้นไม่ใช่ะพี่โยมเนี่ยเราก็เลือกไปวัดอย่างเช่นค่ะวัดหลวงปู่ปั้นเทียไม่ต้งตังคไม่ต้องมีหน้าเยอะๆอย่างนี้นะเลือกแบบนี้ใช่ไหมคะวัดมันมีสองอย่างวัดนอกกับวัดในวัดนอกก็คือวัดครูบาอาจารย์วัดพระสอพระสงฆอยู่นั่นแหละวัดนอกส่วนวัดในก็ในใจเราเนี่ยใจเราดีด้วยยมบะเสือด้วยยามมันเป็นพระด้วยยางเราเข้ามาดูวัดเข้ามาดูเข้าวัดก็คือเข้าดูใจตัวเอง ถ้าใจเราไปเสือดเราไปไหนล้วก็สบายเป็นอิสระจากโลกแต่ถ้าเราัติดอยู่ไปวัดนอกไปไปติดไปจับติดมาตรงนั้นมันไม่ดีนะตรงนั้นไม่ไมไมถูกนะตรงนั้นไม่คืออะไรมาตรฐานของความถูกนะก็คือถ้าเราวางตรงไหนได้มันยากอะไรแล้วก็วางไปมันก็เลื่องออร์ดิจิงที่ดีอยากนะทุกวันนี้ไม่มัดไมีตั้งตรมไม่ตั้งไอไอะไรอะเต็มมัดทุกวนักวนโ่เออต็ เป็นเร่อง <laughs> so e ่าหวาน้คนเข้าแถมแม่คนยิ้มด้วยนากด้วยแถมไปที่วัดนั้นวัดเนี่ยเต็มหมัดบางทีก็มีคนกินเอาไปให้เขาไะคนคนจริงเขาก็นับถือเขาให้เขาไปคนถือนับถือหนักก็เอาไปอเราเลือกเอาเลยเราจะเอาไม่เชื่พระพุทธเจ้าก็อยู่ในวงนี้เหมือนกันนี่เออท่านหลบได้นท่านหลบได้ เต็มไปทั้งโจนทั้งอะไรไม่มีหมดอยู่ในโลกนี้มีหมดแม้ต่ทุกอย่า ง, ง เ, รเราเลือกอะเราเลือกก็เลยเราเลือกเราที่เป็นประโยชน์กินปลากินเนื้อกินก้าวเราเลือกก็เราเป็นมนุษย์เราจิตใจสูงจิตใจประเสริฐเนยเป็นทหารได้เราอยากอย่าทําให้ต่ําอย่ากยกปิด ย, ยกใจราให้ตำ่ำ เราแก่จ้เราแก่กเราแต่เราไม่แก่เราก็ของคากันหมดทั้งโลกนั่นแหละ<ม>ไม่ได้ลูกๆของคำจำดังอเออถ้าเนจริงนะวางเลยไม่เอาเอาแต่ของที่เป็นประโยชน์มาตาิเลยไม่หนักเนือเรื่องอะไรนมาอยู่มือพี่โฟกัสอค่ะอถ้าถ้ากหนดกันแล้วเรามันสุดแน่นที่หน้าอกค่ะแน่นจุกยัง แต่พอถ้าถ้าอย่างนี้คือจะจะกำเนิดไปแต่ว่ายังไงก็ตามเพราะว่าพอพ่อเหมือนเปิดกำเนดไปมันมันยิ่งแน่นแน่เรื่อยๆเนะอ๋อก็มันแน่นเราปล่อยใช่ที่ราปอยแล้วเรไปดันมันไปแกงมันมันก่อตั้งใจมากตั้งใจไหมตั้งใจมากันนี้นีซอมสบายดิ มไม่วางอะไรแบนไม่เอาที่ว่ามาดึงมานี่มันนั่งก็นั่งสู้กับเวทนาก็สู้ไปเฉยเออสู้จนมันเออเราอยากรู้ว่าเวทนาวัานนี้เออมันให้ทุกข์ไงให้มันทุกข์ไงทุกข์ขนาดไหนเราอยากรู้ว่าเวทนาเนี่ยราแพ้มันทุตลอดแต่เนี้ยแต่ว่าใจของเราเนี่ยระวางวางให้มันเห็นว่าเออ มันทุกขนาดเลยมันแสดงเลยแสดงเลยคืนทั้งคืนเอาสว่างก็สว่งเอามันแสดงบางมันไม่มันแสดงมาเต็มที่ของมันไงมันไม่มีทางไปเราทนไงเออเราทนความอดทนทนดูมันมันก็ไม่ไม่มันไม่ยอมมันยอมแพ้มันก็หลเข้าไปสงบแคเออราก็เวทนาก็ดับไป ความทุกอยากที่ทั้งหมดกันมัวปล่อยหมดเลยวางเออมันวางเหมือนกันนะมันเวลามันเอยากดูอยากเห็นมันมั่อยกันนาทุกข์กันนาเโมวันนี้คือเขาไปกดอารมณ์กดมันกดอารมณ์มันก็ได้แนน่เอนปล่อยวางภาวนาด้วยการปล่อยวางไม่ต้องมีความอยากการเยอย่าไปเรงมันอย่าไปเกรงมันเกินถ้าตจะไม่กลัแ่น ว่าเฉยๆการบังเกิดมันเกิเอาเหมืกันหาไม่แน่นไปหมดทำให้เราทุกข์ว่าไปเฉยๆว่าไงมันหลายคนๆหลายหลายชาติภพหลวงปู่คนจะภาวาให้มันขาดเวทนาก่อนว่าศาจสุภาพก่อน เอาตรงกลางแรกก็เราต้องตั้งหนงก่อนเนี่ยที่นับถึงพั น, นเออต้องตั้งก่ ต, งงต้องนับหนึ่งถึงพันเนี่ยเราต้องตั้งหนง ก, กงก่อนบรีกรมมรมก่อนตัวบริกรรมก่อให้คิดรวมก่อนเนีตัวิดจนรวมว่ารวมหลายครั้งรวมแล้วหลายครั้งเออเข้าออกเข้าออกได้เออถอนทีหลังเมืมันถอนแล้วนี่เออเราไปพิจารณากายได้เออ เขาพิจารณากายจนหลายวันเขาทำให้ใจเราไปไปทําแต่เรื่องนั้นพิจารณาแต่เรื่องนั้นมันก็เหนื่อยนะมันต้องเข้าพักอืมมันต้องเข้าพักสงบบ้างพอออกจากสงบแล้วก็พิจารณาต่อต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทําอย่างนี้นะเอาแต่อย่างเดียวนี่ไม่ได้มันเชื่อมไป แมอนกันมันเดินเพลินไปทางพิจารณาไปมันไม่มีกําลังต้ อ, องพักคนเราทํางานไรแล้วก็ต้องพักเห็นไหมเวลากลางกลางวันแล้วเราถอดกางเกนต้อตงพักเ อ, อแล้วก็มีกําลังขึ้นแล้วก็ทําได้ต้ อ, อ, องพักไอ้ต้องพักบ้างมันมีความสงบพอประมาณหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาอืถ้าไม่มีความสงบมันจะเป็นการจินตนาการเอา อนุมานเอาคาดหมายเอาเราก็ต้องมีความสงบแล้วมันอยู่ในร่มเดียวเราก็พิจารณาสิ่งนั้นไม่เสียสายไปเรื่องอื่นเหมือนอยู่ในกายก็พิจารณากายส่วนนั้นส่วนนี้อยูนะ่แต่นั่นมันจะได้กําลังกว่าใจมันจะได้เห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราไม่อย่างนั้นเราก็เป็นจิตเอามันก็ไม่ได้เห็นอะไรค ว, วาเมเป็นจริงแต่ในแง่ก็ต้องคิดก่อนนะ<ม>เป็นลาสุปาสัญญาแต่เจาต้องมีความสงบเป็นพื้นฐานบ้างห้า<ม> เนี่ยต้องแก้กันต้องได้รู้จักไว้ต้องถามครูบาอาจารย์เรกาามเหมือนกันเนี่ยเวลาเป็นอย่น า, นานงนั้นมเอเธอนี่แหละต้องถามเหมือนกันถามครูบาอาจารย์เหมือนกันแก่อย่างไงทำอย่งไงมาทีาาทานก็เทศเข้ามาเลยทีรู้ว่ า, าเราติดในทางเทศผ่านไปเยอะเออไม่ต้องถามเออทางเทศให้ทางแก้ให้เอมันวงตาเนี่ยประจุ ที่มาวันบ้างไปชุมทีหนึ่ง<ม>เพราะว่าท่านเป็นโรคหัวใจเท่านั้นที่มาวันประชุมทีหนึ่งแต่วันไหนขาดกันของท่านสบายท่านก็เรียกประชุมมาประชุมกันอย่างนี้แหละงานไหว้พระแล้วกับท่านก็นางรออย่างเนี้ยศ า, าจารย์ก็ยลวงปู่ก็เดินมามากราพระแล้วก็มาันมากของท่านแหละ ฉีนมาเขนอะไเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็ูดแต่เทศโยเรื่องนั้นเรื่องนี้คืนภาษีกันก็แล้วแต่การเทศเเป็นกลาชมงเปชั่มตาตาตันทันดีอ่ะการเทศเจนจบมันเ่อข้าสู่ดนิพาน่นหลตงตองเออ่ะชิเตั้งแต่เบื้องเืองนถึงาน จุกเรียงนะตรงที่กระถาเาเนี่ยนของหลวงตาเนี่ย่างก่อนท่านทำหนังสือจุกเตรียมพร้อมเนี่ยที่ทำไปสอนเออคนเอเอคุณนายคุณคุณกเอเอนั่นองเออใช่ใชไปหาหลวงปู่ควันตอ น, น, นเราอยู่กับหลวงปู่ควันเนี่ยที่นีนหลวงปู่ควันเนี่ยคนเต็มวันวันเนี่ยไม่มีเวลาสอนแกทีนี้หลวงปู่ควันว่าเออ ดีแหละไปหาอาจารย์มหาบัวไปท่านว่าท่านไม่ท่านไม่มีกอยเอาไก่ตอนนั้นทนให้ครูบาอาจารย์มีพะเยอะหลวงปู่ว่านหลวงปู่อะไรเต็มหมดท่านก็หลบตัวท่านถ้ามีปัญหาไปศึกษาหลวงปู่ได้บัญญติท่านเก็บเสให้ท่านเก็บเักทีีความเกิดเจ็บตายเป็นทุกข์ทีนี แกก็มาหลวงปู่กว่าหลวงปู่มารเทศสอนสอนร้อยกว่ากันนะร้อยกว่ากันแต่ท่านตัดออกจึงว่าอำลาโลกไงพอแค่นั้นชุดเตรียมพร้อมมันเออของพอพานน่และยังยังอยู่อยู่กับหลวงปู่กวันนั่นนั่นเนี่ทำนัือไชุดเตรียมพร้อมแหนดวงใจ แล้วเข้าสูแดนนิพพานมาเข้าสูดนนิพพานเองเทศพวกเราเออออกรมพะเลยแหละชล้วนๆเลยแหละตอนเราจำพรรชายอย่างนั้นนะ่ะใครติดขด่ตรงไหน้งกับิตรงเรือตอนท่ิานเทิดวัดเลยแหละท่านเทศสอนพระนะไม่เคยเข้าไปยุ่งนะก็ไม่เคยไม่เข้ามาเลยนะยอดโยมนะท่านเทศสอนพระเลยแหละสอนพระล้วนๆเลยแค่นั้นแหละสามิ กันนะเนี่ยนั่นไงใครอยากไปนิพพานเนี่ยอ่านแล้วก็ปฏิบัติเลยนะเออตามนั้นนะอย่าไปจํานะทํตาตามนั่นเลยนั่นไงคนอยากไปนิพพานนั่นเนี่ยเพื่อทุกท่านสร้างไว้เพื่อพระฟังฟัง้าครั้งไว้เหมือนกันสักครั้งเพราะว่จิตเราเลื่อนลำดับท่านี้ด้วยฟังครั้งแรกก็เหมือนเข้าใจอย่างนี้พอปฏิบัติไปแล้วก็าฟังอีกเพื่อเข้าใจเลื่องไปอีกไอ้นั่นแนี่ยเล่มนั้นเนี่จําไว้นะเออ นั่นแหละใครที่อยากไปนิพพานอ่านเลยอ่านเร็วตั้งไว้ปฏิบัติไปอย่าปลีนะอยา่าปลีนั่นแหละถึงแม่นิพพานรู้แหละไม่ต้องถามยากหรอกเออเอาเรื่องนั้นแหละนี่ยดวงตาชังไว้นะคือดวงตาชังไว้อนะ่อใครอยากไปนิพพานอย่นี้เรื่งนี้แหละพระลูกิลูกหายอยา ท, าทเลปฏิบัติไปกรรม อย่าไปปีทำไปเดี๋ยวถึงเอาละมีใครจะถามไหมครับนางกับหลวงปู่นะคะอาจารย์นะคะขออนุญาตเรียนถามว่าคำว่าการรวมจิตเนี่ยเราจะทราบอย่างไรคะว่าเราได้รวมจิตแล้วนั่นหมายความว่าเราไม่ฟุ้งหรือเปล่าคะคือเราหยุดการฟุ้งแล้วแล้ว ก็รวมจิตหรือเปล่าคะความหมายค่ะความหมายความหมายรองจิตรวมไหมความหมายัาไ ง, ายางไงครับอืเราจะทราบว่าเราอ่ะว่าาจม ไ, ม ไ, <laughs> ไม่อยากคนตายไอ้จิตรวมไม่รู้อ่ะทําไมเคยรวมไงสงสัยอยู่นั่นเ น, นี่กันนะคนจิตรวมมันพอราบริกรรมไปใช่ไหมบริกรรมไปบริกรรมไปมาถึงที่มันถึงลงได้ มันจะหดเหมือนรวบรวบวบเข้าไปไม่อยากคิดไม่ได้เจตนาไม่ไม่อยากคิดนะแต่ไม่อยากคิดเองว่าธรรมชาติมันจะเหมือนรวบน้อยน้อยน้อยนรู้เด็ดชัดอย่างเง้ยเขาเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์ว่ามันมันลงเองเด็กมัหิวอารมณ์มันจะอยากคิดเรต่องร่ดงกรยกอดแน่งมาถึงเวลามันลงเองเงน้ยผมทำให้กอดแน่ยให้มันกินอารมณ์มันลงแล้วนี่มันตัดหมดเลยเนี่ยตัดมาเลยมันมีลงลึกลงหยาบลงละเอียดกันทั้ถ้าลงลึกไม่ได้ยิน เสียงข้างนอกไม่ได้ยินเลยนะน mm hmm. ันก็เรียกว่าพาไม่ได้ยินหมัดไปเลยลมนีไปแล้วพอ mm hmm. ลมนี่เราบริกรรมอย่นี้พุตโตนี่ยวางไปหมดแล้วลมก็ไปลแล้วเสียงก็ไปแล้วเวทนาก็ไปแล้วอย่าผู้รู้ข้างในรู้เดนอยูเด่นแน่ mm hmm. ไม่เอ็นเอียงนั่นนจิตลงลึกแล้ว เนี่ั่นกเรียอัปปนาสมาธิเกิเจริญร่วมอมส่วนว่ามีอยู่สามขัน้นคือมีชนิกาอุปจาระอัปปนาชนิกะก็คือบางทีก็สงบอยู่ในเรื่องเดียวคือเหมือนเราพุโทโธพุโทโธเรื่องเดียวแป๊บหนึงก็ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เด็กแป๊บหนึ่งก็กลับกลับมาอยู่กับพุโทโธพุโทโธแต่เป็นชนิกาตอนนีเ้เขาบาวะนะส่วนอุปจาระคือเรารู้อยู่แล้วก็มีอารมณ์ความนึกคิดเกิดขึ้นแล้วก็เห็นอยู่ เป็นชัดอยู่ในอารมณ์พวกนั้นคือปัญญาระโดยแล้วแม้เขาควบคุมว่าต้องรู้อย่างนั้นคือเรารู้อยู่แล้ไปเห็นชัดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องนี้เราก็รู้อยู่แต่เราก็ไม่ไดปแสี่ายว่าต้องออกไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เราดูในฐานของเราอารมณ์พวกนั้นมันกำลังสัมผัสเราเอาก็ตั้งในฐานนี้คือปัญญาระส่วนุลปนาคือมันดับหมดมันควบคุมไม่ได้มันอยู่กับความรู้เด่นชัดที่ยงอยู่พอถึงเวลามันก่อนกำลังมันก็ถ่ายออกมาอารมณ์ก็หยาบกลับมาอุปจาระ เขาอาปจจาระมาพิจารณากายมันรู้จิตกายเพ่งส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนหัวส่วนกะโหลกส่วนตับส่วนไตส่วนไส้ส่วนม้ามไสเพ่งไปด้านข้างบนลงมาข้างล่างเพ่งกลับไปกลับมาใช้ปัจจาระในการพิจารณาเพราะว่าอภปนามาทําไม่ได้มันละเอียดเกินไปแต่คราวนี้พอเราไปกระทบกับโลกกับอารมณ์มากๆมันจะเดี๋ยวสงบเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวสงบเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นกันนิ่งกัน เปียนไปเดลี่นมาอารมณ์สมาธิมันเรื่งความละเอียดของเรานันถ้ามีเวลามีความสนุมากเหมือยู่ั่อุปจาระเพื่อใช้ในการพิจารณ า, าอารมณ์กรรมฐานด้วยอือการนั่งสาธิค่เวานั่งใครอน่ยคือร่างกายเราสปนหนิการเคลื่อนตัวตลอดเลยมันหมายความว่าอะไรคะมันถ้ามันเคลื่อนอือเราเพ่งไปที่กายเหรอเดเพ่งที่ไหม่ ก็คือรู้่รู้การเคลื่อนไหวใช่มรู้แค่นหก็เป็นการเจริญสติไม่สติประฐานเขามีกายได้นาจิตธําวันน้รู้ในะกายกายเคลื่อนไหวไปอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ในตัวสติเราก็พยยามในสี่อย่างเนี้ยเป็นติการเจริญสติในตัวอือมใจถ้าถ้าการเคลื่อนไหวอย่างนี้ก็ก็ อ, อูยังอยู่ในกายใช่ไครับ ยังไม่ได้ส่งออกใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเขามีความรู้สึกว่าในกายเคลื่อนไหวในกายเคลื่อนไหวครับแต่ว่ารับรู้ว่าเคลื่อนไหวอย่างนี้ก็คือยังไม่ได้ส่งออกใช่ไหมครับพี่ปุ้มการดูในกายก็ไม่เป็นไรโยกไปโยกมาก็ไม่เป็นไรพุ่มไปก็ไม่เป็นไรําเรามีสติเราอยม่ในสติมันมีอยู่สติอยู่ถ้ามันจะเคลื่อนติเองติพุ่มไม่เรื่องว่ามัน ถ้ามันยังอยู่นั่งนิ่งๆเนี่ยค้นเรารู้ว่ามันเคลื่อนืจังมันก็พยายามดึงให้มันอยนิ่งต่อแสมันก็จะเคลื่อนเคลื่อนเอน่พวนั้นก็เป็นอารมณ์ของจิตเอใถ้ามันรวมะถ้ามันรวมอะมันไม่ต้องเคลื่อนถ้าจิตมันรวมนิ่งแล้วมันมันวางหมดแหละถ้ายังไม่ยังไม่นิ่งมันไม่วางแหละมันจะเคลื่อนอยู่ เอ็นเอียงไปอย่างนั้นน่ยพอจิตรวมเนี่ยกงเตีงเลยแหละวางมัดไม่เคลื่อนเลยเออถ้ารวมอ่ะนั่นแจิตรวมมันไม่วาไม่ไม่ไม่หวั่นไหวเลยแหละเอออืมเตี้ยงมาบ่พูดขอทางนู่นเลยแหละมาตั้งแต่ตอนนั้นพิจารณาไม่ได้หรไม่ได้พิจาราไม่ได้พิจารณาดิไอ้นั่นไอ้นั่นยังพิจารณามันยังเคลื่อนได้พิจารณามันเออมันเคลื่อนได้ แต่ว่าจิตรวมพี่แมวไม่มีอ่ะไม่หวั่นไหวเลยแหละมาลมมาตั้งแต่ทิศก็ไม่หวั่นไม่ไม่สงสงไขเลยแหละจิตรวมหนักไม่หวั่นเลยส้าเคยรวมแล้วมัจไม่สงเออมันจะเห็นน่นเดิมไม่ว่ามันไม่สงไขเลยนะเป็นธรรมดาคที่ไม่ตายไม่สงไขพระพุทธเจ้าด้วยตัวนัยืนไม่สงไขเลยที่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่นี้ไม่สงไขเลยอ่ะให้จิตรวมให้จิตรวมบ่อย ที่เรบุมบันมันวุตใจไม่รู้ทํำคือรู้ใจตัวนั้นแหละคือถ้าถ้าจุดรวมแล้วในจับพิจารณาได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ต้องกลับมากลับมาที่เดิได้มันถอนก่อนแน่เพรต้องถอนเราอย่าไปยุ่งมันแน่เมือนรวงข้ามันรวมแม่เราอย่าไปถอนออย่าไปยุ่งมันแน่เดี๋ยวมันถอนแท้ดีเราอย่าเราอย่าไปยุ่งมันเลยลอยเลยมันนานแค่ไหนกันจ้างมันนี่แต่ว่ามันถอนขึ้นมาแล้ว่นะ ค่อย ย, อย้อนวิจะนากายก็ได้แยกได้จะออรวมไม่หยาบยุ่งมาเลย เ, ออเรา เ, เราออกมาแล้วนะการนอนหลับนะก็นอนให้มันชักฝคว้มเต็มที่พอติ่นขึ้นมาก็จะทาการงานได้สําเร็จประโยชน์แต่ถ้าเรานอนนิดหน่อยร่างกายเราก็ไม่แข็งแรงพอไปทํางานก็ไม่สำเร็จประโยชน์ก็เหมือนจิตรวมเลยมันเหมือนไปพักกำลั ง, งจิตพอจิตมีกําลังพ อ, ออกมาเห็นสถาว่าธรรมก็เห็นดังพอเป็นจริงเห็นได้ชัด เพราะว่าจิตมันรวมไปแล้วตาใจมันสลาดเาไว้ไอ้นี่มันจิตรวมเนี่ให้มันอยู่ให้มันพักพักไปเต็มที่ของมันอย่าไปยุ่งถ้ายุ่งจะถอนทันทีเราต้องการให้มันพักเราต้องการให้พักจิตเนี่ยเพื่อมีกําลังเออให้มันพักเต็มที่มันพอวันมันถอนขึ้นมาแล้วหน้าเราจําไว้เราบริกรรมยังไงตั้งสติไว้ไง วาริกรรมยังไงมันจึงลงอย่างนั้นหอเวลาตัดมาก็จะตัดเขาเองเพราะเขาเป็นกำลังเขาเสร็จฝนอีอเออแมันมันถอนขึ้นมาเองมันมั้นได้อยู่ตลอดไปหรอกมันถอนขึ้นมาเออมาถอนขึ้นมานี่เรากาลังทาจากคนที่ชอกอกลีกเจะเอธิษฐานจิตไว้ก่อนมันจะให้อยู่นานมันพวกเื้เสียเขาสมาบัใช่ไหมเ้าต้องการให้อยู่จวันเขาจิฐานจิตไว้พ <c oughs> อถึงจวันมจะ คือคือใจของเราอย่างยังทงบบ้างไม่ทงอบบ้างเนี่ยคือเราต้องรักษาระดับแรกคือมันจิตมันรวมจะมมีกาลังอยู่มีศรัทธาแล้วแหละคจิตรวมอ่ะครั้งของครั้งนี่เชื่อแล้วแหละแต่ว่าเวลาถอนแล้วนะเราดูว่าเราทายังไงจึงมันรวมอย่างนั้นแล้วก็ต่อไปเราตั้งคติว่ยังไงทำให้รวมอีก พอทามันชํานานแล้วเออราก็ค่อยยอ้อนพิจณากายไปอะไรไปก็ได้ภาษาบาลี<ม>เลียวาสีทั้งห้า<ม>จะเข้าเข้ายัางไงเข้าไป ไ, ไปตั้งอย่างไงเร<ม>าควบควนกันเข้าไปตั้งอย่างไงถอนออกมาได้ไยังไง<ม>ก็ควบควนการถอนออกมามันจะมีห้าอย่างเรา<ม>ในบาลีเข<ม>้าออกจะชานานเราไปนะมันรวมบ่อยๆแล้วต่อไปมันไม่ไปแล้ว ไม่ต้องยุ่งมาแลยนายก็เรียกว่าม่ถึงฐานมันแล้มันมันไ ม, ไม่ไปไหนแหละเอ่อแนวเราต้กตอนนี้แหละเราต้องพูกตอนนี้มันแน่นหนาไอเราไม่พึกไอแน่นหนามันก็สงสัยกันอยู่อย่างนี้พูดไปพูดไปก็ทั้งวันเลย ไม่ไม่ไม่แน่นนาไม่ก็ไปอะไรไหมครับแสดงว่าตับประสวัสิีนี่เป็นสิ่งจำเป็นที่ที่เราต้องทำอ่าอ่าปู่ปู่ไม่ไม่ไลยบางคนก็ไม่ถึงใช่หบางคนก็ไม่ถึงเขาแคพิจารณาได้บางคนก็ไม่รัวเพิ่ขนาดนั้นบางคนก็ไม่ถึงอนาอเช็คอุปจาระในการพิจารณากายได้ก็พอเพราะว่ารวมน้อยน้ยบางตื้นตื้นที่อภานสมาธิมันหลงลึก ว่างหมดเลยว่างหมดเลยเยวไม่ได้ยินอะไรนั่นแหละเต็มที่เลยแหละจิตรวมจิตสงบขนาดนั้นยินทั้งวันเลยเอาเอาเต็มปัจจาระในการพิจารณาธรรมอันนี้การมาบอกไว้การการเริ่มรวมคนไหนเขามีอุปนิสัยเขาก็รวมรือเหมือนพูดถึงสุมืนงสีถ้าเป็นทางเจโตวิปเขาจะต้องรวมไงเขาว่าสร้างสมมาแต่ละภวมราชาขร้างสมเจ็บกันทำสมาธิมาเขาถึงอัินาะไง บางคนปัญญาวิมุตต์เนี่ยเขาก็เพียรนาแยกแยกจนจิตมันยอมรับว่ามันเป็นความจริงมันก็รวมสงบลงมันก็ไม่ได้สงบลึกแน่สงบงปัญญาละความจที่มีวันสนาก็เขาถึงอภ ป, ปนาเลยที่ ท, ที่มันสรับกันแน่สับปัญญากับเจตัวครูบาอาจารย์หลวงปูกวันเ่ตั้งไปผูรามตั้งไปภาวนาอยู่ผู้รามขอนเก่ฑ์กลางก่อนท่านเที่ยวตอนนี้เองท่านเที่ยวท่านป่วยสมัยนั้นท่านป่วย ให้พระจับเส้นจับเลยก็ไม่หายทีนี้ว่าคือนั่นท่านพระไปจับท่านไปจับแล้วเส้นท่านอีกท่านจับจนเก้าเรยก็ไม่หายท่านบอกว่าไปไปกลับไปพักแค่นะี้ไ ป, ไปทีนี้ก็ไปกันหมดแล้วพระท่างกอลุกขึ้นไปหอมจีวรแล้วก็ไปนั่งตายสละตายเลยแหละไม่เอาแล้วทุกข์มาก ทุกมากสละตายกันเล่าไอ้กว่างนี่เล่าบอกว่าสละตายนะคำว่าสละตายกว่าง่นะไปนั่งไม่มีมุไม่มีกเลยนะกันนั่งตายเลยละสะตายเลยฉนะันตัดสินแล้วว่าต้องน่งให้ตายไปเลยไม่ต้องเอาแล้วฉันเอไม่ตายไม่หตายเลยนะ นั่งไปไม่นานกันมาจิรวมหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมันหมุนเองท่ามามันหมุนตัวมาองมาแมาที่กอเออมันหมุนมาเองมันเออมันหมุนมาเองมันหมุนมาทางทิ่ตะวันตกได้นั่งนิ่งอยู่นั่นเนตั้งแต่หัวค่ำสามโมงเช้า น, น, นั่งอยูนั่นสามโมงเช้าพระไปบินทบาทคล า, า, านมามาที่เรียกเกรงใจหลวงปู่เพื่อนนัน่งสมาธิอยู่ก็ไปประชุมกันอีก <ś c oughs> ไปเรียกประชุมกันว่าเออหลวงปู่หน้าเนี้ยเราไปเข้าไปควรท่าน เ, าเราไปบินทบาทแล้วกันเนี้ยถึงเวลาบินทบาตก็บินทบาทเนี้ยเดี๋ยวมาเรียกท่านอีก <ś c oughs> เออไปกันผ่ากันบินทบาท กลับมาหลปู่ยังนั่งอยู่ น, นั่นไงเอ อ, อยังนั่งที่เดิมอ้าวไม่หุกดินิ่งสามโมงเช้าที่ที่ฉันเข้าไปเออกลับมาแล้วที่ฉันเข้าหงปู่ยังไม่ออกจะทำยังไงปรึกษากันดีปรึกษากันรบินบะมากันแล้วเนี่เอ้านี่มนงปู่มาฉันเข้าเออคิดกันคิดกันแล้วก็ไปมอนแอรี กลางไปไมันมันหลวงปู่มันหลวงปู่นี่มนหลวงปู่ฉันเข้าหลวงปู่กิจก็ถอนถอนสมาธิออกทนลื้นตาขึ้นท่าเห็นตาเออแก้วข้ก็บอกก็ว่านี่มนหลวงปู่ฉันเข้าเราไม่ได้บินทบาทท่านนะเรไม่ได้บินทบาทปกผมบินมาแล้วนี่มันฉันเถอะเพราะว่าหลวงปู่ทาไม่ได้บินท่าไม่ฉัน ถ้ายอมเลยนะถ้าไม่ยินถ้าไม่ฉันน้องปูอะท่านนิสัยจิตเด็ดเดียวแน่ท่านนิสัยเด็ดเดียวว่ากี่วันกี่วันมากระทันหมดมาหมดแล้วกรรมมาหมดแล้วอืมอืบมันโบมหมดเลยหายหมดเลยโรคตั้งแต่นั้นมาหายหมดหายโรคจิตรวมหนักขนน การว่าการว่าหน้ากี่วันก็ได้ก็ไม่มีทุกข์ไงนกี่วันเนี่ยก็ว่าข้าวนิโรธนะเนี่ยข้านิโรธ ด, ดับทุกข์เออเป็นธรรมะโอสถอ่าข้านั่งได้เหมือนพระพุทธเจ้านั่งเวันเนี่ยพระพุทธเจ้านั่งเวันเดินเจดวันน่ะยืนเจ็วันเนี่ยเพระาะทำได้เป็นปกติเออพระพุทธเจ้าทำได้เพราะท่านวางมาแล้วมไม่มีทุกข์อืม นั่นแหละคนต้องเรียนแน่จริงด้วยสีจริง น, นะใช่หร <c oughs> ือเปล่าเราไม่ทำไม่จริงเราต้องรู้เลยเราต้องทำที่อยากรู้ศาสนาหนาไม่ได้กหคนนะพระ้ญญรู้จริงรู้จริงโล ก, กวิรู้งโลกเลยแหละพูดง่ายๆรู้งโลกสาโลกนโลกเทวโลกพรมโลกเพื่อนวงหมดเลยรู้หมด เป็นเทวดาเทบุเทวดาเป็นอาจารย์ของพวกนี้ทั้งนาทั้งคุทั้งอะไรเป็นเทวดาเป็นเป็นอาจารย์เป็นมนั่นแหละจึงเป็นสยัมภูพระพุทธเจ้าก็ยอดผู้รู้เห็นจริงที่ไปกโกหกกันนะ่ไมได้อะไรกโกหกกัน ม, นะนะ ม, มีใครจะ ถ, า, ถามเพื่มเติมไหมครับ มพอเดี๋ยวหลังจากนี้ท่านใดต้องการที่จะร่วมในการทำบุญช่างสล า, าหอฉันกับหลวงปู่คาดนะครับตอนนี้กาลังช่างอยู่ทีัหอฉันของวัดป่าบ้านใหม่นะครับที่เป็นประสงี่บสาราใหญ่ได้่็ เ, เป็นสาราใหญ่อเ น, นกประสงค์ได้นะครับตานอกกอว แต่ไม่รู้ไปจัดเก็บในวสราสองชันน้นเหมือน่เหมือนรรนั่เหมือนนั้มีที่แข็เลยเอาเป็นศาลาอเนกปร ะ, ะสงค์ไหครับเหมือนศาลานอกก็ตาดนะศาลาใหญ่ครรับเพาะว่าศาลาในมันคับแคบแล้วพระก็ไม่มีกุบารจาราก็ไปอยู่กัลงปู่เยอะพอระก็เพิมเพิ่มยมแล้วเพิ่มเพิ่มศาลาเล็กปู่ก็เลยมาทําไวปทางนอก กำแพงวัดแล้วก็ไม่รบกวนพระด้วยในลา น, นกิจกรรมอะไรเกีเ่ยวงานบุญเพว่จาจะไม่ไปกวนพระในวัดนะครับจะรวมกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการถวายพระปาด้วยคาบนเอศรัทธาของแต่ละท่านนะนะโมตัสสะระ้วรวอะราหโตธรรมมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธรรมมพุทธะอิมานิมยังันเตอิาิมะยังพันเตปังสุคูละตีวรานิจังสคะตวรานิริวารานิชาตาริวาราพิกุสังคัจจะิกุสังคัจจะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโพันเตเุชังโเพุังโอิมานิอิมานิฟังสุกูละจีวรานิังสกูละจีวราปริวารานิปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุำหากลงหากงสีรัตังสีขรัตังพิตายะพิตายะสุขายะสุขายะแต่พระพิุ สงผู้เจริญพพผู้เจริญะพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าบังสุกุลจีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงโปรดรับข้าบังสุกุลจีวร ตัดทั้งของวริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายใหยเป็นประโยชน์ให้ความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยชให้เกิดความเจริญก้าวหน้าตัดบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน และขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแต่ปิยชนญาติทั้งหลายอันมีบิดามารดาผู้อุปชาอาจารย์พร้อมทั้งเทพยาดาเจ้าทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทัพพระสัตว์ทั้งหลาย และด้วยผลบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้แจ้งเึ่องมักถอดนิพพานด้วยเถอดนะมตัสสภะคะ ในการขอเข้ามาหลวงปู่นะครับในการมาทําบุญนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับถ้ามีสิ่งใดประมาทพาดพลั้งล่วงเกินต่อองค์หลวงปู่นะครับไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือใจนะครับเดี๋ยวนั้นมาตั้งจิตตั้งใจนะครับขอเข้ามาหลวงปู่แล้วก็คณะสงฆ์ทั้งหมดนะครับที่มาัดมาวันนี้นะครับขอเข้ามาเป็นตัวแทนนะครับ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 อาระโตสมมาสมปุตตะทีเรปามเดนาสภาวะระเยนาการังสัพพังอัปปะรัตถ์ธรรมุโนพันเตทีเรปามเดนาสภาวะระเยนากาัง a p a r a งอาปาราธาธร m มะ a ุโนพันเตเทเดสมาเดนะ a ัตวารัตยีนาตตังสัพพังอาปาราธ t ธรรมะทุโนพันเตอืมอมงอังกมามิตรเมิเมกมตะบง ขมามะฟันเตเอวังโอตุเอวังโอตุโยจักภเบปะมัจจิตวะปัาโสนปมมะจติโสมโลกาปปะเสตียปะโมโตวัจจิมายะาภะปังตังกัมังุตลนะปติโสมโกปปะเสตยปะโตวจิมอิานสีเลจนิยธาปจานิโนจตารโัมมาวัันติ อายุวันโอจุขังภารังครับเจ้าขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับในนามชุมนุมพุทธบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือเอ็นทีนะครับให้ขอกราบพระคุณหลวงปู่คราชพระรุธโมวัดป่าบ้านใหม่นอย่างสูกยิ่งนะครับที่ท่านเนตตามาโปรดในวันนี้นะครับขอทุกท่านได้สาธุการกับบุญกุศลในวันนี้สามครั้งครับ สาธุสาธุสาธุอรหังคัมมาัมภูโธภะคะวาภุตังภะคะวันตังอะภิวาเท